ไม่ใช่ว่าขาดสติลงรวังไปแล้วก็ขึ้นมาแล้วก็บอกว่าเป็นีนะละนะเมื่อก็มีอีกอันหนึ่งคือตอนนี้พยายามทําในรูปแบบทุกๆวันดีเลยใช้วิธีเดินจงกรมเอบางทีเนี่ยมันก็เหมือนกันโลบมาก <c oughs> อยากจะเดินให้ได้เยอะๆพอเดินๆไปตอนนั้นหลวงอาเคยสอนตั้งแต่แต่ก่อนบวช <c oughs> ว่าดูให้ดีๆตอนจะเลิกเดินอะ่ะมันมีอะไรอ <c oughs> ืเห็นแล้วว่ามันอยากเลิกแล้วเออมันพุ่งพุ่งพ่างขึ้นมาแต่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 คือที่มันจะเลิกไม่เลิกที่มันรู้สึกตีกันก็เพราะว่าที่สังเกตมาตลอดเวลาทํำเนี่ยมันก็เป็นส่วนใหญ่มันเป็นสมถะเรู้สึกว่าถ้าทำสมถะไปเยอะๆเนี่ยพอไปเจริญสติในชีวิตประจําวันต่อแล้วเนี่ยอ่าสติมันว่องไวอมันรู้มันรู้ได้เร็วอแต่ถ้าเกิดพอเดินไปปุ๊บมันฟื้นมันก็โอ๊ยโทสศมันก็ท่วมไปหมดเลยก็มีสติรู้ว่าโทรศัพท์ท่วมขึ้นมานะแล้วก็เดินไป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 หลงตากฝนตากแดดหลายวันปลอดชื้นปลอดบวมไปเลยรอดตายออกมาเป็นครูบาอาจารย์นี่เราไปเห็นท่นโอ้สบายจังเลยทําไงเราจะเอาอย่างท่านบั่งเห็นท่านนั่งนั่งนอนๆท่านบรรลุไปแล้ว <c oughs> อีกตอนท่านล้มลุกลุ ก, ล, ก, ล, ก, ล, กลานเราไม่เห็ น, นเราจะเอาแต่ผลนะไม่เอาเหตุเหตุต้องสู้นะต้องสู้ต้องเด็ดเดี่ยวต้องสู้ไม่มีหรอกของฟรุกฟุกฟรีฟ ร, ฟรีไม่มีหรอก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 ใจค่อยโปร่งขึ้นมาล่ะมันรู้สึกเฉยๆ่ะครับแม้แต่เมื่อคือนนี่มันไอโรคประจาตัวมันกำเริบนะครับก็ดูมันแบบเฉยๆฮะดูว่าเมื่อไหร่มันจะไปยังไงไปยังไงดูมันดูมันเฉยๆไปยังั้น่าดูไปมไม่ต้องไปยินดียินไลกับมัน<ะ>พอเรารู้ได้ใจเป็นกลางรู้สึกไหมใจสงบใจตั้งมั่นใจเบิก บ, บานบเกิดเองอเลย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 สภาว่าอะไรที่แรงๆเกิดขึ้นสติจะเกิดเองสติจะเกิดขึ้นได้เองแต่ว่าจะคลำทางต่อไม่ได้จนงไปจะได้ฟังธรรมเพราะว่าเราอยู่ในสาวกภภูมิอย่างมีเด็กคนหนึ่งอายุสักสิบขวกได้เล่นลูกหินอยู่หน้าบ้านนะมองไปเห็นไฟไหม้บ้านเป็นตึกแถว่เห็นไฟไหม้ห่างไปหลายห้องตกใจพอตกใจปุ๊บลุกขึ้นมาคว้าลูกหินไปด้วยนะเอ ไม่ไม่ิงนะค <c oughs> วามรู้เหกแล้วก็วิ่งจะไปบอกพ่อวิ่งก้าวหนะึ่งสองสามก้าวที่สามเท่านั้นสติสว่างปั๊บขึ้นมาเลยมันเห็นความตกใจความตกใจขาดสะบั้นตรงนั้นเลยนะแล้วก็ง ง, ง, งว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นมัโนะล่งไปหมดเลยไม่ตกใจเดินไปบอกพ่อพ่อไฟไหม้ข้างบ้านคราวนี้แล้วก็ยืนดูคนอื่นตกใจนะใจเชอยอยู่งั้นนะ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 จิตมีความสุขขึ้นมานะจิตจะรวมลงเป็นฌานได้แต่อย่างนั้นจะไม่เกิดฌานเพราะไม่มีความสุขอยากให้เป็นฌานจิตต้องมีความสุขใช่ไหมคุณนำเกิงเนี่ยหลวงพ่อมีพยานนะคนเล่นฌานก็มีเรียนสานักนี้นะมีสารพัดเลยนะมีทุกรูปแบบอะไม่กีดกันนะฝึกมาแนวไหนก็ได้ยยเวนเข้าทรง <c oughs> เข้าทรงพูดกันไม่รู้เรื่องเลย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 รู้สึกว่ามันโล่งขึ้นมาทันทีครับผมกราบเรียนถามว่าถ้าจะปฏิบัติอย่างนี้ไปเรื่อยเรื่อยเนี่ยแล้วจะสามารถสลัดออกได้สักเท่าไหร่ครับก็สลัดได้ชั่วรคราวนะมันเป็นสมถะคือเราคิดที่หนานอย่างเงี้ยเป็นสมถะแต่สังเกตไหมทั้งหมด่ะมันมีลูกเราเมียเราสมบัติเราเนี่ยตัวที่เป็นตัวกลางจริงๆคือตัวเราครับ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 ด, ดูสบายบายรู้สึกตื่นเต้นเลยก็สองสวัน์มาแล้วก็หนักใจเพราะว่ายัางทำความเป็นธรรมชาติโดยกายและใจไม่ได้แล้วยิ่งมานั้นหลวงพ่อชี้สภาวะข้างในใจเห็นเลยครับว่าใจเนี่ยดิ้นขล่ขากูขักอยู่ข้างในเลยแต่ก็เป็นผู้ดูอยู่แต่ก็รู้สึกว่าใจเนะี่ยที่ดิ้นนะหาทางออกไม่เจ อ, อก็แต่ก็อีกใจนึ่งก็ไม่หนี